วาปัจจะยาสังคาราจำกันได้ยังหรือว่ายังไม่ได้ต้นแบบอวิชาปัจจะยาสังคาราสังคาราปัจจะยวิญญาณังเกือบจำแล้วเอาอ่านวันนี้อ่านเอา ถ้าเราไม่จาเราก็จะไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็นแจ้งมันไปตามลำดับทุกอย่างมันต้องปฏิบัติเราจบปริญญาเอกได้แต่ปากทิศดีกินแต่น้ำมันไม่ได้กินเยื่อมันเลยเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่จำ ไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงเอาว่าพร้อมกันเาวิาาชาปัจญาจังการาหนึ่งองสาม เอาเอาแคนี้ก่อนอันนี้คือฝ่ายเกิดกวัยเกิดทุกอวิชชาปัจจะยาสังการาสังการาปัจจะยวิญญาณังวิญญาณปัจจะยา น, นย า, นน า, นนานมรูปังนาะมรูปปัจจยาสราสรายะตานังสรายาตนาัปัสะสะัปโฉปัะปัป จะเวทนาเวทนาปัจจตัณหาตัณ ห, หาปาาัจจอาาาปาปปุปาทานังอุปาทานาปัจจะโวภวปัจจชาติชาติปัจจชจรามรนังโกรกาปิเทวะตุกตทมนัตระอุปายาตนี่ควายเกิดทุกข์เอาต้องอริยสัจสี่หนึงา เสียงเบาจังเด่งสองสามอาลิยมักอาลียมัก ทุกเป็นผลหรือเป็นเหตุสมุทัยเป็นเหตุหรือเป็นผลนิโรธเป็นผลหรือเป็นเหตุอริยมรรตนั่นต้องรู้ว่าคือภาษาบาลีก็จะมาจากข้างหน้ามาจากข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุอืผลเหตุผลเหตุ ทุก็มันเป็นผลที่เราเสวยกันอยู่ทุกวันนั่นแหละเป็นผลทุก็มันเป็นผลที่นั่งร้องไห้น้ําตาไหลกันอยู่น่ะทุกก็มันเป็นผลมันบีบมันถูกบีบบีบตรงไหนรู้ไหมบีบที่ความรู้สึกบีบที่ความรู้สึกของเรากบีบที่จิตมันบีบที่จิตนะทุกน่ะมันบีบเคยได้เกิดทุก ภาษาบาลีว่าอะไรสามูไทยสามูไทยนั้นเหตุได้เกิดทุกเป็นผลหรือเป็นเหตุสมูไทยเออนั่นต้องกใจะดับผลแล้วก็เหตุอืในิโรธเป็นผลเป็นเหตุ ท, ออตหตหตที่เราไม่กล้าใจเพราะอะไรที่เราไม่กล้าใจที่เราไม่รู้แจ้งอ่ะมันเพราะอะไร เพราะเราไม่ปฏิบัติอริยมรรคไม่อง bạc ให้จริงจังนั่นถ้าเราปฏิบัติไม่จริงจังอริยศาสตร์ก็ไม่พูดเลยอริยศาสตร์สี่ได้แต่อ่านได้แต่จําเห็นต่อไปก็ต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วเอาไปคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิ ด, คดเอาไปวิจัยนั่นน่ะนักวิจัยต้องเป็นนักวิจัยทีนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำมาวิจัย วิจัยธรรมะถ้าพดจงเจ็ดกดสติธรรมวิจัยะนั่นเนี่ยธรรมวิจัยแล้วสติธรรมวิจัยะวิจัยจกว่าวิจัยธรรมวิริยะลืมไม่ได้ท่องท่องท่องท่องท่องท่องทองวิริยะคือความเพียนเปี่ยนเปียนเพีย น, พ ย, น, พ, ย น, พ, ยนพยายาม เราต้องมีความเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปียนเปียนภาวนาไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยภาวนาไปคิดไปภาวนาไปคิดไปก็ธรรมวิจัยนี่วิจัยธรรมนี่ไม่ต้องไปวิจัยดวงดาวดวงจันทร์หรอกไม่ต้องไปวิจัยแร่าธาตุอะไรต่างๆหรอกมันง่ายไงพวกนั้นน่ะ ที่เราไปเอาเพชรมาใจพ่ออยู่ที่หูนั่นรู้ไหมว่าเป็นอะไรมันเป็นก้อนหินที่หอเพชรอะไรทองมันเป็นแร่ธาตุนี่เราวิจัยดูดิเราต้องวิจัยวิจัยวิจั ย, จยทําไมอันนี้คนเขายึดมั่นถือมั่นเพราะเขาขาดการวิจัยของพ่อเวลาเดือนผ่านร้านที่เขาขายทองอู้โหยเหล็กทั้งนั้นเลยร้านนี้ขายเหล็กกัน เราวิจัยแลย้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราไม่ต้องไปจอบมันมันคือแ ร, ร่ธาดอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเพชรอีกเราก็วิจัยอีกลเละมันมาจากไหนเววาวเววา ว, ว, าวนีกก่ก้อนหินนั่นแหละเพชร น, นั่นทีนี้ท้าวหลวงพ่อวิจัยเองนี่หลวงพ่อก็นั่งวิจัยเอ๊ะก้อนหินนี้ทํางไร ม, มันมีหลายสีเหลือเกิน ก็เมื่อก่อนมันเป็นสีขาวที่บริสุทธิ์เป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีที่มันเกิดมาในโลกนี้มันก็เก็บแสงได้เอแสงของดวงอาทิตย์นั่นมันมีทุกสีให้มันเก็บไว้ทัานก็เลยเวลาเขาเกลาร์หนมันก็มีทุกสีแหละเพชรนั่นมีทุกสีในก้อนเดียวมีทุกสีเพชรคืออะไรก็ก้อนหินนั่นแหละไม่ใช่อะไรเลย แล้วเราไปหลงมันทําไมไปนั่งมองมองมงมอพอชื่อเพชรมาแล้วก็เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพชรเพชรเพชรเพชเพชก็ถ้าจริงแล้วมาดูเพชรมันเป็นก้อนหินก็เลิกกันนี่มันแค่นั้นเองนี่เรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยวิจัยอะไรวิจัยธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะ นี่ยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยพอเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเอาเพชรนั่นแหละเอามาตำตำตำตำตำให้ละเอียดเป็นอร่อยทีนี้มันเป็นเศษถินเศษฝุ่นไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยแล้วเอาไปเอาน้ําละลายเนี่ยเอาน้ํามาละลายก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยเนีเ่เนละละลยเ ล, ะละ เ, เ, เ, เลิกยึดมัน่นเดิมมั่นมันเสีย ไอ้เปชรเน้นจินดาอะไรต่างๆเนี่ยนี่เรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยทีนี้การวิจัยธรรมก็ก็คือธรรมชาตินั่นแหละธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะให้เราก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่เรากินที่เราใช้ที่เราดื่มแต่เเอามานุ่งมาห่มเจ็บ่ายได้ป่วยเอามากินเอามาทานนี่ก็ธรรมชาตินั่นแหละ เอามารักษาธรรมชาติมันธรรมชาติดังนั้นไม่ผ่านทุกอย่างจะไม่ผ่านธรรมชาติเป็นธรรมชาติทั้งนั้นที่นี้ถ้าจิตที่ปฏิบัติตามโพชฌงกดีอาเลียมัคคีองแปดก็ดีรั่วมัธรรมชาติทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไม่ยึดมันถือมันนั่นแหละคือจิตว่างสติธรรมวิจะวยะวิริยะ โอ้แค่นั้นเีงนี่ปีติปีติปีติตเออมันเป็นทางนี้เองโง่จริงจริงนะแต่ก็ปฏิจจติทุกอย่างลงตัวหมดทุกอย่างลงตัวหมดเหมือนกันหมดแยกไม่ออกแต่มาจาเราจะแกงร่ำแกงเผ็ดอะไรสักครกหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ตำเครื่องไม่เป็นกันแล้ว เมื่อก่อนเราใส่ปล๊กใส่เกลือใสอ่อะไรต่ออะไรในนั้นเนี่ยแล้วมาตำตำตำตำตำตำแยกไม่ออกทีนี้ไม่ก็ไม่เรียกว่าอันนั้นอันนี้แล้วเรียกว่าเครื่องแกงเยมันลงตัวแลนะ้วเนี่ยปัจจิตินะแปลว่าลงตัวเป็นธรรมชาติหมดเหมือนเราเอาทุกถิ่นทุกอย่างในโลกนี้เอามาตำตำตำตำตำใส่ครกะ แยกไม่ออกไม่รู้อะไรเป็นอะไรอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเรียกว่าปัจจัติปัจจัติพอเป็นจัตปัจจัติเราน้อเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเนี่ยใจสมาธิเพ่งเพ่งเพ่งเพงเพงว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยพอเพ่งอล้สมาธิสมาธิเพ่งแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันหมดไม่เป็นอะไรถึงต่อไป อุเบกขาเฉยปัจจิตแล้วก็สมาธิแล้วอุเบกขาเฉยนะอันนั้นก็ธรรมชาติอันนี้ก็ธรรมชาติอันนู้นก็ธรรมชาติธรรมชาติทั้งนั้นเลยตัวเราก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติตาหูเป็นธรรมชาติเสียงภายนอกก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่ว่างกับกลัวตนทางนั้นเย็ดมั่นถือมันอะไรไม่ได้เลยที่เนื้อที่ตัวเราก็ธรรมชาติข้างนอกก็ธรรมชาติ โลกเสียงก็ธรรมชาติเนี่เอกมาใส่ในครกแล้วก็ตําเอาทั้งโลกเลยเอามาตําเข้าวหมดทีนี้เลือกไม่ออกแต่แล้วก็คือธรรมชาตินั่นแหละเป็นธรรมชาติทีนี้เราไปติดสมมติเนี่ยข้อจงเจ็ดก็คืออริยมรรคไม่ม อ, องแปดนั่นแหละอริยมรรคไม่ม อ, องแปด ก็เป็นอันเดียวกันกันนะกับโพชฌงเจ็ดนั้นพอคนจะตายขึ้นมาเราช่วยกันสวดน้อยสวดน้อยสวดโพชฌงจวดได้ปากชี้ก็ไม่มีทางหรอกมันต้องปฏิบัติมันโง่กันถึงขนาดนั้นน่ะมันต้องปฏิบัติก่อนพอเราปฏิบัติก่อนเราป่วยอย่างเนี้ยอ่เราปฏิบัติมาแล้วก็สวดโพชฌงเจ็ด เราก็คิดได้ดิงานเนี่ยคิดได้่โอ้นี่เรากาดสติไปไปยึดมั่นถือมันในความเจ็บความป่วยอาเราต้องวิจัยธรรมะโอ้ความเจ็บป่วยคืออะไระก็เป็นอย่างนั้นมันเองธรรมชาตินี่มันก็ไปตามลําดับอ น, นั่นแสดงว่าคนนั้นเขาปฏิบัติมาแล้วแล้วระวัตสติเขาคือเขาให้สติกับคนป่วย ให้สติกับคนป่วยนี่นะแตนี่อย่างอนาถาบินิกาเศรษฐีนะศรัทธามากกับพระพุทธเจ้าพอถึงเวลาจะเสียชีวิตเพราะอนาถาบินิกาเศรษฐีสร้างวัดเศตวันตอนนั้นถูกรุกรานใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าเทวทัตจะเอาชีวิตให้ได้แต่พระพุทธเจ้าพราะองค์ตรัสเราจะไม่ตายหรอกไม่ตายเพราะเทวทัตหรอก แต่ว่านาตาวินิกาเศษตษีท่านทนไม่ได้อพอกกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้าเห็นไปกระทบกันทาให้สะเก็ดหินมาโดนประบาดของพระองค์ก็เลือดไหลหมอชีวกก็มารักษาเมื่อตอนนั้นพระองค์อยู่ที่โยธภูเขาคิตจกูดโด่อยู่ภูเขาคิตจกูดดันสูงกว่าเพื่อน ถ้าใครไปอินเดียก็ต้องไปภูเขาคิจกูนี่ทางขึ้นภูเขาคิจกูน่ะมันโอ้ยมันลําบากไม่รู้ขนาดไหนทีนี้ลองคิดถึงพระพุทธเจ้านี่ที่ท่านพระองค์เดินไปเดินมาลงมาบินฑบาทตอนเช้าๆก็ลําบากลําบากมากต้องวิ่งไปตามก้อนหินน่อะไรทีนี้เดี๋ยวนี้มันก็สบายขึ้น สบายขึ้นแล้วก็เดินไปไปก่อนนั่นมาก่อนนี้ไปก่อนโน้นอา้าวเดี๋ยวนี่ก็ยิ่งสบายใหญ่หลวงพ่อไปยิ่งสบายใหอยเลยไม่ต้องเดินแต่ไม่มีรถก็หามเลยทีนี้เนี่ยก็ทําทให้ลําบากเก็จะได้หามเราไปก็ก็ได้เงิน เ, นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงหนึ่งพันบาทแล้วก็ยอมให้เขาหามแต่ตามจริงหลวงพ่อไม่ยอมแต่โยงก็โยง พวเขาแกวของกระเป๋านี่ก็เลยหามกันไปสี่คนที่พวกเขาคิดจะกูดก็ต้องหามอที่สีลังกาก็ต้องหามที่พม่า ก, ก็ต้องหามหามทางนั้นเนี่ยพวกนั้นหามทางนั้นมันจะเอาเงินมนันเขาก็ให้จ้างมันนานๆไม่ได้หามแต่ครั้งหนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้า อาาตาบินิกาเสษตีเห็นว่าไม่ไหวแล้วเทวตัตเนี่ไม่ไหวแล้วก็ เ, เลยพระองค์ก็ไปซื้อที่ดินของออไปซื้อที่ดินข อ, องอะไรเจ้าของอ่าเช้าเจ้าเจ้าเจ้าเเจ้าเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเาเจ้าเาเจ้าเจ้าเจ้เจเจ้เจ้ น, นเจ้เจ้ น, นเจ้เจ้ น, นเจ้าเจ้าเาจ้า เ, เ้าจา้า เอาไปเรียงตามแผนดินนั่นแหละแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงออาก็สร้างสร้างไปกี่ล้านก็ไม่รู้เป็นล้านล้านล้านล้านล้านก็หาปัญหเป็นล้านล้านนะแปดสิบล้านชื่อที่ดินแปดสิบล้านสร้างกุฏิวิหารแปดสิบล้านทําการฉลองแปดสิบล้านพอจะตั้งชื่อขึ้นมา เจ้าเชษนั่นอเจ้าของโวนเจ้าของดินว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งชื่ออย่างนั้นไม่ได้ตั้งชื่ออย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาชื่อฉันนั่นเห็นไหมถ้ามันเห็นแก่ตัวทีนี้เจ้าเชษพอจะเสียชีวิตก็ให้ภรรยาไปหาพระพุทธเจ้าว่าให้พระพุทธเจ้ามาทีเธอจะเสียชีวิตแล้วจะหมดลมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปสอนนะทีนี้อ่า ตาไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราจมูกไม่ใช่เราลิ้นไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราความรู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจไม่ใช่เราเกิดง่ายธรรมชาติเสียตัฏฐามากอนาตาบินิกาเศรษฐีสัฏถามากเราวดทองที่สอยไว้ ที่เราเป็นห้องห้องอย่างนี้ทองทั้งนั้นเมื่อก่อนก็นแลกเปลี่ยนกันกับทองอ่ะใหมยนั้นมีเด็ดทองไปก้าเรือจำปอบางทีก็เรือรุ่มอทองก็หมดไปทั้งลำเลยทีนี้พอทำบุญมากข้าวมากข้าวมากข้าวทองก็จักที่จะร้อยหล่อร้อยร้อยหล่อลงเทพองค์หนึ่ง มาสิงสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูอนาถาบินกาเตตรีทำว่าบวา่วาบวา่าแสงนั่นใครข้าพระเจ้าเองเป็นใครเป็นเทพที่ซุ้มที่มาสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อรักษาท่านแค่มีอะไรอยากจะมาเตือนท่านว่าอย่าทำบุญมากเกินไปทองจะหมดแล้ว อนาถวินิจจะเดียวปล่อยปล่อยอยอยเราไม่อยู่แล้วแต่อย่างนั้นมิจฉาทิฏฐิในท่านนี้จะไม่ให้เราทําบุญไม่ได้เราไม่อยากให้อยู่แล้วเทพก็ร้องไห้เลยจริงๆร้องไห้รอห้รองไห้ก็เลยขอขอก็อุทธรณ์ว่าอถ้าอย่างนี้ได้ไหมให้ที่ทานไปฆ่าเรือสำเภาเรือล่มในมหาสมุทร แล้วข้าพเจ้ารับอาสาจะเอาทองนั้น่มาให้เอาได้ถ้าอย่างนั้นได้เขาก็ออกมาจริงออกมาจริงหลวงพ่อเรียนตั้งแต่อายุตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแปนู้นเรื่องอนาถาบิณฑกาเศรษฐีคือบาลีนี่ตรงเรียนตรงแปลได้ทุกตัวอักษรทีนี้ให้เราก็คิดว่ามันจะจริงหรืออย่างเนี้ยมันจะจริงไหมอย่างเนี้ยก็เครื่องเชื่อเครื่งไม่เชื่อ จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ไม่รู้เป็นยังไงทีนี้พอู่ของจริงอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อไปรับเทียนพรรษาที่อินโกลรับเทียนพรรษาอามีเด็กนักเรียนก็าต่างโรงเรียนไปจําจังหวัดดึกโรงเรียนไหนแล้วมันหลายโรงเรียนรับเทียนพรรษาตอนภาคเช้าพอรับเทียนพรรษาเสร็จกลับมากุติ พอกลับมากุฏิเอ้านี่มันงัดกุฏิหลวงพ่อแล้วก็เลยเข้าไปดูในห้องเอ้ามันเทย่ามออกไปหมดแล้วเงินที่เหลือมาจากกินเดียตอนนั้นเบ้นกี่สิบสักมัดหนึ่งแล้วสักสี่ห้าร้อยสีส่ห้าสิบใบได้มัแล้วก็ไม่ได้นับหรอกแล้วทีนี้มีอะไรต่วอะไรหลายอย่างที่เขาให้ใหมา มีอยู่อย่างหนึ่งเล้นาฬิกานาฬิกานี้ก็นาฬิกาข้อมือมันก็เอาไปด้วยแต่นี่มีขี้เหล็กไหลขี้เหล็กไหลขี้หล็กไหลไม่ใช่ตัวมันขี้มันก็เหมือนกันเน่เกิดเทพเก็ก็สิงสถิตอยู่ในนั้นหลวงพ่อมาะเออดีแล้วไม่อยู่กับหลวงพ่อก็ไปเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะอยู่ก็กลับมาที ถ้าไม่อยากอยู่กับโจรก็กลับมาล่วงพ่อเสียนี่ก็เท่านั้นเท่านั้นทีนี้เพราะว่าวันนี้รับเทียนปัญศาพรุ่งนี้ก็เก้าพัญศาสามเดือนพอสามเดือนพอครบสามเดือนล่วงเอาอะไรในยามไมาู่เอานี่กี่เล็กลอยกลับมาแล้ว มันไม่น่าเชื่อเลยนี่แหละฉะนั้นเทพแล้วก็มีจริงเทพมีจริงเทพคือผู้ปฏิบัติธรรมที่ก็ได้ฌานฌานที่สูงสูงสู ง, ส, งสูงขึ้นไปจากรูปฌานเป็นอรูปฌานแต่แล้วไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะว่าไม่ขึ้นสัมมาทิฏฐิ ก็เลยแค่เทพอยู่แค่เทพถ้าขึ้นสมาทิฏฐิเห็นอริยสัจก็จะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยกลายเป็นเทพแล้วฉะนั้นเนที่นี้เ น, นี่ทีนี้แหละมีเทพดูแลรักษาอยู่แล้วหลวงพ่อจึงเชื่อว่าอ๋อนี่เรียนมามารู้กี่ปีแล้วอัอนั้นเปียงคิดแลดีแต่ของจริงมันเป็นอย่างนี้เองนั่นนะคือเทพฉะนั้นเทพนเนี่ย เขาก็จะช่วยดูแลรักษาเทพที่อยู่ที่นี้ก็อยู่ทําไมคือถ้าสิ่งอะไรที่เช่นว่าพวกเหล็กไหลพวกอะไรต่างๆก็จะดูแลรักษาแต่เขามาอยู่ที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเขามาอยู่ที่นี้เขาค อ, อหลวงพ่อก็จะมากวางเตศกวางตามจากหลวงพ่อแล้วขึ้นวิปัสสนาคือสัมมาทิฏฐินี่เทพก็เป็นอย่างนั้น อย่นี้ตาโยมจีลงไปนั่งดิไปนั่งคนเดียวมั่งเลยจะไปกลัวผีเลยเทพเราไม่ใช่ผีไม่ต้องกลัวก็จะช่วยเราเราจะรู้สึกว่ามันจะอบอุ่นอยู่อบอุ่นไปคิดก็บอกไอ้ภาวนาว่าพุทโธไปภาวนาว่าผีๆีผีเอ้าอไรน่นะหลวงพ่อน ะ, อะเมื่อก่อน หลวงพ่ออกเชือกขึงเ้าเชือกขึงเดินจงกลมไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูตอนเย็นเออตอนเช้านี่ตอนเช้าเดินตรงนั้นข้างสระน้ํานี่เดินหลับตานะกลางคืนก็หลับตาก็คิดว่างูจังวัวมันกัดไปเลยมันจะ จองเวนจองกรรมจะกะเราแค่หน่อยเไม่ใช่มันอ้าปากจะกัดเราอยู่กัดไปเลยอ้าถ้าผีมันกวางเนี่ยชนไปเลยนั่นตรงอย่างนั้นไม่กลัวมันทีนี้ตอนเช้าวันนั้นฉันเ้าสบเดินเดินเดินเดินเดินนี่เราต้องนั่นก่อนตั้งอธิษฐานว่าต้องเดินสิบเที่ยว จากนี้ไปหินโค้งแล้วก็กลับมาหนึ่งเที่ยวกอได้หนึ่งเที่ยวเราก็หักนิ้วก้อยอนาคิหักนิ้วต่อไปพอสิบเที่ยวเราก็รู้เฮ้ยกาลังเดินอยู่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยหู๋เนี่ย ย, ยังจําได้อยู่มาถึงบอกว่ามีคนมาอ๋อว่มีคนมาเราก็เปิดตาดี่เปดเอาเห็นโยมนั่งอยู่คนหนึ่ง ถามวโยมมาจากไหนบอกมาจากในตลาดได้ยินข่าวว่าท่านมาจากตลวนโมกมาอยู่ทีนี้แล้วใครเสียงนั้นมาจากไหนพวกเดียวกันทางนั้นอเนี่ยพวกนี้ทางนั้นอะไไม่ใช่ผีเท พ, ทพนี่เขาจะดูแลเราก็าจะดูแลเราพระปฏิบัติแล้วเขาก็ต้องการที่จะมากว่างทมอะไรเนี่ยแถวนี้ยอยู่เต็มเนี่ยนั่งก้้งหลังเลยอันเนี่ย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่นี่ยคือเทพคนทันคนทันก็เหมือนโยมจีเนี่ยนุ่งขาวห่วงขาวคนทั น, น, นอ่อทีนี้ตอนนั้นหลวงพว่ออโยมนั่งธรรมาธิกันก็นั่งตอนตอนฝากคำเอานั่งธรรมาธิเสร็จก็จบโยมจีคนบอกว่านี่ หลวงพ่อก็มีโยมจีคนหนึ่งนั่งใกล้ๆแล้วนั่งลูปขาอย่างเนี้เฮ้ยอะไรที่กาผ้าแกขาดหมดแล้วเบื่อยหมดแล้วผ้าเปื่อยเปื่อยหมดแล้วอ๋อหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปซื้อซื้อผ้าแล้วเอมาถวายสังฆทานอุทิศให้เขาเขาให้ทําพอทําเสร็จแล้ว เป็นยังไงวางคนวน้องเห็นเต็มไปหมดยมจีเต็มไปหม ด, ม เ, ตมหมดเต็มไปหมดทีนี้ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่รู้ก็มีเทพในข้าวทรงก็ทร ง, งหลวงพ่อก็ได้โอกาสก็ถามไอ้ทีนี้บอกอ๋อนี่ตวดอาจจะเรียกว่าตวดเทกว่าคนทัานมีเท่าไหร่พอโอ้นับไม่ถูก มากมายเก็บอกว่านับไม่ถูกนับไม่ถูกทีนี้หลวงพ่ อ, อกาตามว่านี่ถ้าถวายสังฆทานไปจักร้อยชุดพอกันไหมแก บ, บอกว่าออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ปเปลี่ยนกันนุ่งก็แล้วกันนี่แสดง ว, ว่าไม่มีผ้านุ่งเห็นไว้เนี่ยก็มาเราเห็นก็ไม่มีผ้านุ่งเนี่ยมีทั้งเทพมีทั้งคนทัน เทพชั้นสูงเขานั่นแหละต่อไปเขาเขากรังธรรมถ้าเขาปฏิบัติข่าใจเขาก็เป็นพปนัจดาบันเริ่มที่จะเห็นอริยสัจฉะนั้นเราไม่ได้อริยสัจเนี่ยต้องให้ได้ถ้าไม่ได้อริยสัจไม่รู้อริยสัจเรา ก, ก็ไม่มีทางหรอกฉะนั้นอริยสัจเกิดทุกข์สองมุดท้ยนี้โรดอริยมรรคเนี่ยทุกข์เป็นผล เหตุได้เกิดทุ ก, เ, กเป็นเหตุมันก็มีผลเหตุผลเหตุผลเหตุผลอยู่ข้างหน้าทุกเป็นผลจมูตัยทุกก็คืออวิชชาแล้วก็สังขารวิญญาณามรคพยาธน้อวิชชาเป็นผลแต่แล้วสังขารเป็นเหตุทีนี้พอต่อมาสังขารเป็นผลอีก วิญญาณเป็นเหตุนี่ยมันเป็นกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไปคิดไงนี่นี่บอกให้แล้วไปคิดอย่างนั้นมันจะเป็นผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุอไม่ไม่ใช่เหตุผลผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุอันนั้นเฉพาะเรื่องทุกทีนี้เราจะดับเราจะดับทุกเราต้องนั้นนี่โรสนั่นแหละ พอไปดับที่เหตุดับที่ตัวหน้อยแต่ละตัวมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นเดีว่าเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเนี่ยอวิชชาเนี่ยอวิชชาที่นี่พอไปสายดับอวิชชายะตะเววาเสตาวิลากรนิโรธาสังขาระนิโรโธสังขาระนิโรธาอวิชชายตะเววาเสตะ วิราคะนิโรธหมายถึงว่าการดับราคะโทสะโมหะโดยไม่เหลือดับโดยไม่เหลือเกิดสังขารน่ะสังขารน่ยเป็นเหตุอวิชยตาเวว า, าเสตาวิลากานิโรธาสังขาราณิโรธจังการานิโรธ า, าเพราะสังขารดับ เพราะจังการดับอวิชาก็ดับทีนี้ต่อไปก็จังการเป็นผลอีกแล้วต้องไปดับที่วิญญาณเนี่ยมันป่อยอย่างนั้นเรื่อยๆๆื่อยืยรืยร ย, รยไปฉพราะนั้นไม่รู้อริยศัสตร์นี่ก็คือไม่รู้หัวใจของพระพุทธศาสนาอานี้เราต้องปฏิบัติตามอริยมรักนี่แหละดับเราจะดับ มาทางปลายก็ได้ดับไปทางต้นก็ได้ได้หมดเลยพูดมากนี่จะเฟือนะจะเฟือเนี่ยต้องไปดูดูแลว้วก็ให้เข้าใจมันจึงจะได้แต่เราไม่รู้อริยศาสตร์กรรมในพระพุทธศาสนานี้เนะ่ะฟาวไม่ได้เลยเลยฟาวนั่นนะต้องให้ได้ ต้องเดินไปข้างหน้าไม่มีคำว่าถอยหลังถอยไม่ได้ถอยหลังตกคูทันทีไม่ได้เลยเอา้าทีนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อน